เรารคในองสัมสเนี่เชื่อประจักษ์ตอนนี้เพราะเรากำลังทำตามปกติมีพระอาจารย์ไปส่งเป็นเจ้าอาวาสที่นี่เนี่ยโอกามาทุกข้นยอด จ, จริงครับอาจารย์ท่นหมอ่าวรัเกเดี๋ยวรอบกองกันเลยนะ <laughs> <laughs> ที่หลวงพ่อท่านก็ได้อบอกว่าความรอบรู้ในกองสังขารนะก็ว่าเป็นปัญจากองสังขารก็มีทั้งทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคิดดีคิดไม่ดีมีทั้งคิดบวกคิดลบนะมีทั้งกุศลอกุศล มีทั้งดีใจเสียใจกินดะีร้ายทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องรูนะ้จะเลือกรู้จะเลือกเอาไม่ได้อย่างคนทั่วไปก็จะเลือกเอาเฉพาะของดีคนะวามดีใจความอิ่มเ อ, อิความสุขอะไรก็อยากคิดแต่ดี อยากหรือไม่เอาถ้าคิดไม่ดีก็ไม่ชอบมีความโกรธก็ไม่ชอบมีความเสียใจก็ไม่อยากเอาไม่เอาล้วทำยังไก็พักออกไปกดข่มกันเอาไว้ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นแต่อย่างนี้นี่ไม่เรียกว่าเป็นทางแห่งสัญญา ทางปัญญาเป็นยังไงก็มาถึงการที่รับรู้แล้วก็รับรู้ก็คือรับรู้ด้วยสติมันเห็นอามันเกิดขึ้นก็เห็นมันเห็นมันอยู่เรื่อยๆจนมาเกิดความรอบรู้รอบรู้ในกองสังขารรู้ทั้งฝ่ายบวกฝ่ายรู้ทั้งฝ่ายกุศลกัอกุศล ถ้าไม่ไม่รับรู้มันก็ไม่รอบรู้จะรับรู้ได้านก็ต้องมีสติมีวางใจเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นก็เห็นมันไม่เลือกที่รับมักที่ชังคนทั่วไปเขาเลือกที่รักมักที่ชังคิดดีเอาคิดไม่ดีไม่เอาอันนี้ถ้าไม่เอาแล้วมันจะรู้จะเห็นจะเข้าใจได้อย่างไร แม้แต่ทุกนะก็อย่าไปปฏิเสธมันนะทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีมันเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปยอมให้มันนะทําให้เราขาดทุนนะส่วนใหญ่ที่เวลาเกิดทุกกายทุกใจก็เอาแต่คลั่งครวนบีก็ติดอกชกหัว <c oughs> บางทีก็ ด่าว่าชะตากรรมทำไมต้องเป็นชั้นทอไมต้องเป็นชั้นเจ็บป่วยก็ทุกข์ไม่ใช่ทุกกายแต่ทุกใจด้วยอันนี้เรียกว่ า, าไม่ใช่วิธีการคนฉลาดคนฉลาดนี่อะไรเกิดขึ้นไม่ปฏิเสธเกิดขึ้นแล้วจะปฏิเสธได้ยังไงเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับแต่ยอมรับแล้ว ก็ไม่ได้ปล่อยใจให้ทุกข์ไปประมันก็กลับมาพิจารณาใช้ให้เป็นประโยชน์นะความทุกข์กายทุกข์ใจนี่ต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์นะเราปล่อยให้มันมาทำรายเราเราปล่อยให้มันเล่นงานเรามาตั้งแต่เกิดแล้วลต่อไปเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ ใช้มันงไงมันใช่ใอย่างหลอย่านงะเพียงแค่ดูมันเห็นมันนะเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นเวลาป่วยกายมันเป็นยังไงถ้านะป่วยกายมันปรุงใจให้ทุกขนะ์ปรุงใจให้หมนหมองปรุงใจให้วิตกปรุงใจให้กังวลก็เห็นมันนะเพียงแค่เห็นใจที่วิตกเห็นใจที่กังวลเห็นใจที่มนหมอง พราะความเจ็บความปวดนี้ก็เรียกว่าได้กําไรแล้ว ม, มันได้กําไรงานมันได้ก็กําไรก็คืมันเป็นการฝึกสติสติออกเกิดขึ้นได้ก็เราะการที่ได้เห็น บ, บ่อยๆเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีการเลือกที่รับมากที่ชันเรียกว่าว่างจเปิดกลางเห็นมันเห็นมันก็เห็ น, เ น, นาการเห็นธรรมชาติของมันความวิตกกังวลความกลัว ความความเศร้าเพราะเจ็บเพราะป่วยอันนี้ถ้าเราเห็นมันอยู่เรื่อมก็จะเห็นแล้วโอ้มันมาแล้วมันไม่ได้อยู่นานมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วมันจริงๆแล้วถ้าเห็นมันเฉยเฉมันก็ทําอะไรเราไม่ได้เห็นก็จะฉลาดก็จะรู้ว่าอ้ไอ้ทีวิตตกที่กังวลนั้นไม่ใช่เราวิตกไม่ใช่เราไม่ใช่เรากังวลมันเกิดใจที่กังวลเกิดใจทีวิตตก ความวิตกเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นที่ใจความกลัวเกิดขึ้นที่ใจแต่ไม่ใช่เรากลัวไม่ใช่เราเราวิตกแต่แต่ก่อนแม่ที่เห็นมีมันก็เห็นมันก็ปรุงว่าเป็นเราตลอดเวลาเราดีใจเราเสียใจเราทุกเรากังวลเราวิตกทีน แ, แบบนี้เข้าประคุณแบบนี้เข้ามันก็ทุกข์ไม่ได้กําไรไม่มีคัดคุณธแต่ว่าถ้าเรา มีสติรู้เห็นมันมันก็ไม่มีเราเข้าไปปรุไม่มีปรุไม่มีการปรุงเป็นตัวเราเข้าไปเป็นผู้เจ็บผู้ป่วยมันเห็นความเก็ีดความปวดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมชาติของมันเห็นความีิตกของวลความกลัวเกิดขึ้นก็จะเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันอันนี้ก็เรียกว่าเกิดปัญญาคือเกิดเห็นเป็นอาการ เห็นธรรมชาติของันตามเป็นจริงแล้วมันก็จะวางได้วางได้วางเพราะว่าไม่มีไม่ปรุงตัวตนเข้าไปเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ไม่ปรุงตัวตนเข้าไปยึดไปครองสิ่งเหล่านี้คนเราไม่ได้ยึดไม่ได้อยากยึดอยากครองให้สิ่งที่ดีๆอย่างเดียวไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็ มันก็เข้าไปยึดเข้าไปครองด้วยของที่เราไม่ชอบใจนึงก็อยากจ ะ, จะลักออกไปแต่ใจนึงก็ยึดเข้าไปหรือยึดหรือช่วยเข้ามาเรียกว่าเกิดความยึดติดเราโกรธใครเราเกลียดใครเราก็คิดถึงคนนั้นไปบ่อยกินก็คิดนอนก็คิดแต่นอนไม่หลับ คนที่นอนไม่หลับเพราะความกลัวเพระความเกลียดเระความกลวัวทีวมว่มีเยอะมากา ท, ทั้งที่ไม่ชอบความเกลียดไม่ชอบความกลวัวแต่ก็ไล่มันไม่ไปเพราะใจมันชอบวนคิดวนคํำหนึ่งอันนี้เรียกว่ายึติด น, นะเมือกับมืองเราเนี่ยมือเราไปถูกของเหมน็นไปถกไปถูกสีไปถูกน้ํามันไปถูกปลาละหรือไปถูกขี้หมาเมนี่ยเม้นไม่ชอบ เราทำยังไงเราก็ไปเอามือไปล้างล้างมือเสร็จเราทํางไงก็เอามาดมนะเอามาดมมันยัเม็นอยู่เอาล้างใหม่ล้างใหม่เสร็จทํางไงดมต่อเม็นไม่ชอบแต่ทํำไมชอบดมนะอันนี้เรจะติดถ้าเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางได้นะมันก็จะเกิดความเบาความสบาย แต่ที่ปล่อยวางไม่ได้ที่ชอบที่ชอบติดก็ เ, เรพรเกลืเพราะไม่มีสติเพราะไม่เห็นมันแต่เขาเป็นเป็นไม่เห็นมันเขาเป็นเป็นอันนี้แหละก็เป็นหลัก ง, ง่ายๆแลก็คือว่าเห็นมันซะเห็นมันตามที่เป็นจริงการปฏิบัติธรรมของเราก็คือเพื่ อ, อย่างนี้นะไม่ใช่ตัวออย่างอื่นบางคนนี่ปฏิบัติธรรมก็ไปเข้าใจ มากๆละบุญที่เราสะสมที่เราเข้าใจคืออะไรนะก็หมายถึงสิ่งที่จะมาตอบแทนให้เรามีความมั่งมีสิริสุขนะมีความรวยมีความเจริญหายป่วยหายไข้นะอันนี้เป็นเข้อใจว่าคือคื อ, คอบุญนะข้อใจว่านี่แหละคือเป้าหมายในการปฏิบัติธรรมอันนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่า ต้องไปให้ไกลแบบนั้นก็คือเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาจนกระทาั่งละวางได้ละวางตั้งแต่ความคิดละวางความรู้สึกปรุงแต่งและความดีร้ายจนกระทั่งไปถึงสาวไปถึงละวางความยึดติดถือมั่นในตัตนต้าวางได้ละได้พอเห็นความจริงอันนี้ก็เรียกว่าเข้าถึงมิติผ่าน ภานี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นของดีที่สุดไม่มีอะไรดีเท่ากันนี้แล้วอย่างอื่นก็ลองลงมาความมั่งมีความร่งรวยอันนี้มันจะไม่ถือว่าเป็นของดีหรือของดีที่สุดหรือแม้แต่คุณนั น, นที่เราอยากจะได้เพือได้ไปสวรรค์ก็ยังไม่ถือว่าดีที่สุดดีที่สุดก็คือนิพพาน คนเราถ้าว่าเราตั้งจิตตั้งจิตหรือเจต จ, จำนงนะที่มุ่งพระนิพพานคือความปล่อยวางจากกิเลสปล่อยวางตัวตนเพื่อให้เี็ควาสมสงบเย็นอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ฉลาะคือรู้ว่าอะไรดีที่สุดคนเราเกิดมาทั้งทีมาเป็นมนุษย์ทั้งทีทงทก็ขอให้ได้มุ่งหวงังสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะยังไม่ถึงแต่ว่ า, าก้ ตั้งจิดมุ่มงหมาเอาไว้จะทำอะไรก็ตามเวลาทำดีนะก็เราก็คิดถึงสิ่งนี้ไนะ้คุยกับพยาบาลคนวิทย์คนแก่พยาบาลคนนี้เร่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆยายชอบพาไปวัดพาทําบุญรวมทั้งพา บาด้วยเวลาใส่บาตรยายก็บอกให้รลานเนี่ยอธิษฐานอธิษฐานว่าท่านเขียนพูดเป็นภาษาอีสานแต่ว่าอพอจำได้วันเนี่ยเขาคือดอกบัวยกมือท่วมหัวสว่างแต่ผสมจิตใจจำนมต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้ว มาขอให้ถึงภาษีอานในอนาคตการเถอคุณบ็ไม่เพีย น, นอธิษฐานางนี้บอคนทีสารคนไทยชอบคนไทยสมัยก่อนมีเพิของไผ่ของมันของอะนีะ่แหละอธิษฐานางนี้เลย น, ะ, นะไม่ได้ไม่ได้อธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้ ีนะขอใหอ้มั่งมีศีลุขนะเวลาใส่บานี้ีอธิษฐานเป็นนาทีเลยนะอยากได้เยอะหรือเตินดะแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมบัติทางโลกนะแต่ว่านะพยายบาลคนนี้นะที่ที่ยายสอนนะเรียกว่าติดใจจำนวนมุ่งตรงตรง่อต่อคันนี้ หรือว่าอย่างน้อยๆก็ขอใหอ้ให้ได้เข้าถึงหรือไปเกิดในยุภ ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษีอ่านถ้าไม่ได้นิพพานก็คอได้ไปเกิดในยุภา ษ, ษ, ษีอ่านนะอันนี้ธรรมาพิจารณาดูโอ้ยายเ็าสอนดีนะคือสอนให้มุ่งตรงต่อนิพพานเลยอย่างอื่นนี่เป็นเรื่องรองไม่เรื่องสวรรค์นี่ก็ยังไม่สำคัญเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งร่ำรวย นะหายป่วยมีชื่อเสียงอย่างนี้นะถือว่าไม่คิดเลยนะถ้าคนสมัยก่อนนี่กิงๆ ก, ก็บอกค่อยร่ำรวยมากนะที่กิงต้องเรียกวันจบนะถ้ามองจากสายตาคนสมัยนี้เสื้อผ้าตรงมีแค่ชุดสองชุดนะบางทีไม่มีมุ้งนะไม่มีมุ้งใช้รถนะยนต์ไม่ต้องพูดถึงนาฬิกาโทรศัพท์ไม่มนะีแต่ว่า จิตใจคนคิดถึงแต่พระ น, นิพพานบางแห่งบางทีก็เวลาอธิษฐานอธิษฐานสั้นๆวันนิพพานักปัจโยโรตุก็คนะอยเป็นปัจจัยถึงพระ น, นิพพานอธิษฐานสั้นๆนะแต่ว่าเป็นของดีที่สุดนะที่มนุษย์เราควรจะได้นะส่วนเรื่องทรัพย์สมบัตนะิเรื่องชื่อเสียงเรื่องอำนาจเรื่องตำแนนหน่งฐานะมีถือเป็นเรื่องน้องไม่คิดเลย เวลาทำความดีเวลาทำบุญก็ไม่ได้คิดนึกแต่พินธุน์ผาแต่อย่างนึกอย่างเดียวเดต้องทำด้วยทำอย่างไรก็เวลาทำอะไรก็ตามนะก็ให้ไม่ว่าจะเป็นทำงานทำการก็ให้มันเป็นการปฏิบัติ ท, ทําไปในตัวทำครัวซักผ้าอาบ น, น้นแมแต่กินข้าวก็เป็นการปฏิบัติ ท, ทําได้ ปฏิบัติธรรมนี่มันทําได้ตลอดเวลาจะไปบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบาาัติธรรมถ้ามีเวลากินข้าวมีเวลาอาบนา้ํามีเวลาหายใจอันนี้แหละปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติยัาางไง <c oughs> ก็ให้มีสติจะทำอะไรก็ให้มีสติมีสติแปลว่าอะไรก็รู้ปัจจุบันทำอะไรก็รู้ว่ากำลังทำอย่างนั้นอยู่กินข้าวก็รู้ว่กากาลังกินข้าว อาบน้ำก็รู้กลังอาบน้ำไม่ใช่คิดเอาเด้อรู้นะรู้ด้วยสติแตไม่ใช่คิดเอาว่าฉันกาลังอาบฉันกลังอาบมันไม่ใช่มันรู้เฉยๆรู้ซื่อๆ อ, นะอาบน้ำกินข้าวทำครัวนะก็ให้มีสติมีสติแล้วนะมันก็ปรุไม่เสอปรุง เป็นตัวตดขึ้นมาก็เรียกว่าค่อยๆเข้าใกล้เข้าใกล้รพรนิพพานเพราะว่าวิปภาคือการที่ละจากตัวตนเราเจริญสตินี้ก็เป็นวิธีการสลายตัวตนได้สลายตัวตนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพาหิยาพาะิยาที่เป็นนักบวชนอกศาสนาแยกจะได้อยากจะ อยากจะมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าเขอยากจะเป็นอรหันต์มามาด้านตนมาพบพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเดินอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนมาพบพระพุทธเจ้าตอนเช้ า, พ ร, าพระองค์กําลังบิณฑบาตอยู่ขอให้โครงแสดงธรรมพระพุทธเจ้ากระตักว่ายังไม่ใช่เวลาก็เลยไม่แสดงธรรมไอ้ยาก็ ลบเราถึงสามครั้งพระองก็ เ, เลยแสดงธรรมแล้วก็แสดงธรรมสั้นๆเพราะกลังปิตาบาติอยู่<ม>แต่ ว, ว่าเมื่อตายลูกครูจะยินเสียงจุงได้กลิ่นได้รับนนะพระศักตะวะเองสักตะวะได้เห็นสักตะวะได้กลิ่นศักตะวะได้รับนสนะเมื่อนั้นตัวตจะไม่มีไม่มีทั้งในโลกนี้โลบหนานและในระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละนะเป็นที่สุดแห่งทุก ตัวตนจะไม่มีไม่มีพ่ออะไรไม่มีพ่อตายลูกผู้ินเสียงก็สัตว์ตะวเห็นสัตว์ตวันได้ยินสัตว์ตะวัรู้อันนี้คือสติ น, นั่นเองถ้ามีสติก็ไม่มีตัวตนหรือว่าไม่ปรุงตัวตนตัวตนมันไม่มีตั้งแต่แรกแต่ที่มันมีก็ไปปรุงเอาไปปรุงให้มันเกิดขึ้นในใจแต่ที่ปรุงก็พไม่มีสติถ้ามีสติมันก็ไม่ปรุง มันมีแต่ความรู้รู้เฉยๆรู้ซื่ อ, อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยก็ให้ไว้มีสติอย่าไปคิดว่าต้องมาเข้าวัดต้องมาปฏิบัติธรรมเช่นจึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านอยู่ที่ครัวก็ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมด้วยสติหรือว่าปฏิบัติธรรมด้วยวิธีอื่นก็ได้เช่นน้อมใจให้เกิดเมตตา ปฏิบัติทํามไได้มีแค่เจอิญสติเราทําอะไรก็ถือว่าเป็นการเจริญเมตตาได้เช่นทําครัวแล้วก็น้อมนึกถึงคนคนที่กําลังรอกินอาหารจากเรานึกถึงเขาขอให้เขาได้ประสบความสุขนะขอให้เขาได้ประสบความมีร่างกายสุขภาพอนามัยดนะีเวลากินอาหารของเรานึกถึงเขา จะเป็นึกถึงตัวเองทําครัวแล้วนึถึงตัวเองนี่มันยิ่งทุกข์โอ้ยทำไมนอกต้องมาทําครัวคนหนึ่งก็ไม่ต้องทำครัวเลยคนหนึ่งเขาปฏิบัติทำแต่ฉันต้องมานั่งทําครัวนะไอนน้คิดแบบนี้มันทุกข์แต่ถ้าคิดถึงคนอื่นก็าเออเราคิดถึงคนที่กำลังอาจจะปินอาหารของเราถ้าทําแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ปฏิบัติทำได้สลวงพ่อหลวงพ่อ ท, ท้านเล่าว่าตอนเด็กๆตอนเด็กๆแม่ให้ไปซ่อมนาแม่ให้ไปซ่อมนาไปซ่อมนาแล้วก็ให้ขาถากันขโมยขาถาการขโ ม, มยสั้นๆเป็นภาษาไทยไม่ใช่ภาษาบาลีสั้นๆว่ายัางไงว่านกกินเป็นบุญคนกินก็เป็นทาน เฝ้านาเนี่ยเวลาเฝ้าก็ให้คิดถึงคนอื่นคิดถึงนกเขามากินก็จะไปว่าเขานบมากินก็จะไปว่าอย่าไ ป, าาปโกรธนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทา น, นาถ้าคิดแบบนี้ได้ภาวนาแบบนี้อธิษฐานแบบนี้ก็จะไม่มีขโมยมารบกวน น, กนาเลยเพราะว่าใครมากินก็ถือว่าเป็นบุญ นกมากินคือตัวเป็นทานอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญแม่ตาจิต น, นั่นก็คือว่าเม่ถึงคนอื่นทนํานาคนสมัยก่อนทำนาก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองอย่างเดียวคิดถึงคนอื่นด้วยว่าเขาใครมากินก็เป็นบุญนกกินก็เป็นทานอันนี้ก็เรียกเป็นาการปฏิบัติธรรมได้หรืออย่างมีคนที่มืองเพชรเขบอกนะเวลาเขาจะเขาจะปลูกต้นไม้ เรก็จะปฏิทฐานเหมือนกันบูธำพลาผลทำบังพลาผลสำคัญสำคัญพลาผลน้ำนะบกินก็เป็นบุญคนกินก็เป็นทานแปลคล้ายคล้ายกันปนะธิทฐานคล้ายคล้ายกันลบกินเป็นบุญคนกินเป็นทานานี่กระดาษตัวต้นไม้ก็ไมปในนิยมตัวเอง ไม่ได้อธิษฐานว่าขอให้ต้นไม้โตวไวๆฉันจะออกรูกไวๆฉันก็จะได้รวยเร็วๆไม่มีคิดแบบนี้แต่คิดถึงคนอื่น อ, อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นกันแม้แต่เป็นการปลูกต้นไม้ทําสวนก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองแต่คิดถึงคนอื่นทาแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าปลูกต้นไม้ทั้งภายนอกและภายใน ต้นไม้ภายน้อกนี่ใครๆก็ปลูกได้นะแต่ว่าต้นไม้ภายในนี่บางทีปลูกไม่เป็นนะแต่ถ้าเกิดว่าอธิษฐานแบบนี้น้อมใจนึกถึงคนนึกถึงนกนึกถึงคนที่จะได้ประโยชน์จากต้นไม้ที่เราปลูกอันนี้ก็เราปลูกต้นไม้ในใจเป็นต้นไม้อนะต้นไม้แห่งเมตตาต้นไม้แห่งเมตตาต้องปลูกที่จริงเมตตาจังมีในใจของเราอยู่แล้ว เราเป็ียนแต่ดูแลบำรุงให้เจริญงอกงามเมือก็สติสติมีในใจอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ปล่อยให้เหี่ยวเฉานะหรือไม่ก็ปล่อยให้มันตายไปแต่ว่าถ้าเรามาดูแลมันก็จะ นก็จะแตกเป็นต้นกล้าที่เป็นต้นกล้าก็จะค่อยๆเจริญเป็นต้นใหญ่อันนี้คือธรรมะในใจใเราต้องรู้ใใจับปลูกต้นไม้ในใจดูแลต้นไม้ในใจด้วยไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้ภายนอกถ่าพวกเราเป็นชาวไร่ชาวนากันหลายคนส่วนใหญ่ก็ปลูกแต่ต้นไม้ภายนอกเราเก่ง ดูแลต้นไม้ภายนอกให้มันโตแต่บางทีลืมต้นไม้ในใจแต่ถ้าเราวางจิตวางใจเป็นอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี้อย่างที่แนะนำมาเมื่อกี้นี้ทําไร่ทําสวนมันก็ไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้ภายนอกแต่ว่ายัางสามารถที่จะปลมกพอกต้นไม้ในใ จ, จเจริญงอกงามทําแล้วใจนี่ก็มีความแม่ ที่ปูหลงนี่เราจะมีเขียนเขียนเขียนป้ายเอาไว้เป็นข้อเตือนใจแล้วพอที่นั้นมีการปลูกป่าเยอะก็จะเขียนข้อความว่าฟื้นฟูป่าฟื้นฟูใจข้อความนี้ก็พา้าราชารเรเช่นเเขียนเขียนมาตั้งแต่สมัยที่ท่านอยู่ที่โน่นเมื่อ10กว่าปีก่อนเป็นการเตือนใจว่าฟื้นฟูป่าแล้วก็ดีนะแต่ยืงฟื้นฟูใจด้วย รักษาป่าแล้วก็ดีแต่ว่าอย่าลืมนักษาใจด้วยวันนี้พวกเราหลายคนก็จะไปปลูกป่ากันจะไปปลูกต้นไม้กันก็อยากจะแนะวา่าปลูกต้นไม้นะจะ่าปลูกแต่ต้นไม้ในมือที่เราถือแต่ให้ปลูกต้นไม้ในใจด้วยก็คือว่าเวลาปลูกนะก็ให้น้องลึก ที่ปลูกนี่เจริญอกงามให้ได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยใครมาอยู่ก็คอยได้รับความร่มเย็นนะนกนกไหนมาอยู่สัตว์ใดมาอยู่ก็คอยได้รับความสุขจากต้นไม้ที่ปลูกนีนะ้ถ้าเราน้อมนึกแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราทำโดยไม่ได้นึกถึงตัวเอง แต่เรานึกถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นอันนี้ก็เป็นบุญนะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ถึงอนิพาแต่นึกอย่างนี้ก็เป็นบุญ น, นึกถึงประโยชน์สูงของผู้อื่นประโยชน์สูงของนกของมแมลงของกระรอกของลิงและของคนที่มาอาศัยที่จะได้มาอาศัยต้นไม้มันไม่ว่าจะเป็นร่มเงาไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าใบาของมันให้เรานึกแบบนี้ แบบนี้เมตตาจิตในใจก็จะเจริญงอกงามแต่ถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเองทําไปก็บวนไปมุ่นเหนื่อยหรือเกินรอดหรือเกินเมื่อไหร่จะรลิกเศรษฐีเมื่อไห ร, ร่ จ, รจะหมดเศรษฐีปลูกมาแล้วสิบต้นทำไมยังไม่หยุดงานสักทีนะคิดแบบนี้นขาดทุนคิดแบบนี้นีกิเลสเจริญงอกงามนะเพราะว่าเป็นการคิดที่เป็นอกุศล เป็นอกุศลไม่ได้อกุศลตอใครเป็นอกุศลตอตัวเองพอคิดแบบนี้แล้วใจก็ทุกข์ยิ่งทำก็ยิ่งเหนื่อยนะอันนี้พวกเราที่ไปปลูกต้นไม้ก็ต้องพยายามดูใจของเราด้วยดูใจวันนี้เพราะว่าบางคนก็ไม่เคยไม่เคยไปปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นการปลูกครั้งแรกในชีวิตของหลายคนก็ได้นะแล้วก็อาจจะเจอแดดอาจจะเจอฝน ทำได้ชั่วโมงนึงก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยถ้าวางใจไม่เป็นมันก็จะปวปลูกไปประกนไป ที tell, uh, ่ตรงแถวป่า บุญของเขาเเป็นบุญของเราด้วยบุญในที่นี่ไม่ได้หมายถึงสิ่งตอบแทนในวันหน้าตอบแทนให้เจริญตอบแทนให้รวยตอบแทนให้มั่งมีแต่มายถึงช่วยลดกิเลสในตัวเราช่วยลดควา ม, มกลัวในตัวเราบุญอย่างนี้เกิดขึ้นทันทีที่ทํทาทําทีที่นึกก็เกิดขึ้น ท, ทันทีอันนี้สมเกิดขึ้น ท, ทันทีแต่ถ้าบุญประเภทที่วางเออทาแล้วทําดีแล้วขอให้รวยขอให้ ขอให้สุขภาพจเจริญนะให้พวกนี้บุญแบบนี้ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าและถึงแม้จะเกิดก็จะไม่ต้องเกิดใ น, นานาคนแต่ถ้าเรานึกถึงความดีนึกถึงคนที่เขาจะได้ประโยชน์จากเรานึกถึงผู้อื่นทํำด้วยจิตที่มีเมตตาบุญที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทันทีก็คือทําให้เมตตาจิตในใจเราจเจริญงอกงาม อันนี้เรียกว่าปลูกต้นไม้ในมือแล้วก็ปลูกต้นไม้ในใจเลยพวกเราที่ไปจะไปปลูกป่าในวันนี้ก็ขอให้วางจิดตวางใจแบบนี้นก็จะกลายเป็นว่าปลูกต้นไม้ได้ทั้สองอย่างต้นไม้ในมือก็ปลูกต้นไม้ในใจก็ได้เรียกว่าทําอย่างเดียวได้สองถ้าต้องฉลาดนะ เวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยทำหนึ่งได้2องอาเร ก, กินอย่างมีสติแต่กินข้าวมีสตินี่ก็ได้2เลยร่างกายก็ได้รับอาหารไปหล่อเลี้ยงจิตใจก็มีสติเข้าไปบำรุงทําหนึ่งได้2องบางคนไปเข้าใจแบบนึ่ หมายถือว่าทำหลายอย่างพร้อมกันกินข้าวไปด้วยก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยหรือว่าดูโทรทัศน์ฟังเพลงไปด้วยหรือกินข้าวไปด้วยกอ่านหนังสือไปด้วยอันนี้ก็เป็นมาเข้าใจว่าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะได้หลายอย่างเวลาเดียวกันแต่ว่ามันเป็นการ บั Leaf, นทอนจิตใจให้ขาดสมาธิทำให้ไม่รู้จักมีสมาธิทำให้ขาดสติแลวทำให้เหนื่อยง่ายทำให้เครียดทำหนึ่งได้สองถ้าจะทำให้ถูกต้องก็ทำอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็คือทำอะไรเป็นอย่างยากแต่ทำอย่างมีสติทำด้วยจิตที่มีเมตตาปลูกต้นไม้ก็ปลูกอย่างมีสติได้ ป, ปูกต้นไม้ก็ปลูกด้วยเมตตาจิตได้ปูกต้นไม้ยังมีสติก็คือว่า ใจก็อยู่กับการปลูกพอสติคุณงายคืว่าตัวอยู่ในใจอยู่นั่นปูกต้นไม้ก็อยู่กับต้นไม้ปลูกต้นนี้ก็อยู่กับต้นนี้จะไปสนใจว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จถ้าใจไปรอไปกังไปกังวลไปคํานึงว่าเมื่จะเสร็จที่มันไม่ได้อยู่กับปฏิบจจัตนะินมันไปอยู่กับอนาคตเวลาลองสังเกตอยู่ในเวลาทํางาน หรื ว, ว่าทำงานที่เราไม่คุดไม่ชอบใจมันจะเล่ง จ, จะเล่าให้เสร็จไไวๆเราต้องรู้ทันใจแบบนั้นนะถ้ารู้ทันก็จะก็ให้ดึงกลับมาอยู่ปัจจุบันทําอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นมันจะอิ่มหน่ายก็จะเสร็จก็ช่างมันเสร็จทุกครั้งที่เราปลูกความความสมดุลการเสร็จนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาจะไปร้อ ไป ว, ว่าโอ้ต้องอีกต้องนานกว่าจะเสร็จคนเราทุกข ร, รื่องนี้เยอะทุกข้อใจไปเร่งไปเราให้มันถึงไวไวให้มันถึงไวไวถึงที่หมายไวไวว่าถึงกำหนดเสร็จไวไวอันนี้เรีว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอนาคตแต่เราวางใจใอยู่กับปัจจุบันได้า ก, การปลูกต้นไม้ก็จะได้ทั้งสองอยา่าง ป่าก็เจริญงอกงามเพราะมีต้นไม้ที่เราปลูกส่วนใจเราก็เจริญงอกงามเพราะเราได้ปฏิบัติทำได้วางจิตบางใจใเป็นกุศลถูกต้องอันนี้ไม่มได้หมายหมายความเฉพาะปลูกต้นไม้เท่างอย่างกนก็ได้เหมือนกันจะซักผ้าพาไมสา่สะอาดทเดียวใจเราก็สะาดด้วยเราวางใจเป็นกินข้าวความเจริญงงาม ว่าถ้าเราถูกเป็นไม่ใช่บาทท้า น, นทักิีสะอาดใจเราก็สะอาดด้วยอันนี้ก็ทําทหนึ่งได้สองแล้วก็เป็นวิธีที่จะช่วยทําให้ใจเราเนี่ยเบาบางจากกิเลสเบาบางจากความดมิ้นรนถึงมัน่นแล้วกมีสติกํากับจิตอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่เข้าไปยิ้ไม่เข้าไปปรุงเป็นนั่นเป็นนี่ไนดะ้อันนี้เขฝากเอาไว้นะว่าปฏิบัติทำ ปฏิบัติได้ทุกที่แล้วก็ปฏิบัติถูกต้องเวลาทําความดีก็ค่อยมุ่งไปสู่สิ่งที่ประเสริฐที่สุดแะก็คือผลิตภัณส่วนเรื่องสวรรค์เรื่องความมั่งมีความจเจริญต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องล้อคือถ้าจะนึกก็นึกถึงประโยชน์สุของผู้มีไม่ใช่ประโยชน์สุขของเราคิดถึงผู้อื่นมากๆคิดถึงตัวมน้อยนะนนชีวิตก็จะโปร่งเป่าจเจริญนอก ง, งานได้ อ่านกับปุ๊กันตอนนี้